ช่วงคนเรามันไม่ได้ราบรื่นหรือว่าราบเรียบเนีเหมือนถนนแปดเลนหรือแม้แต่ถนนสี่เลนบางช่วงบางจังหวะมันก็ขรุขระทางก็เป็นลุมเป็นบอ่อหรือบางทีทางก็อาจจะขาดหมายความว่าช่วงคนเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งที่ถูกใจ หรือว่าความสุขเสมอไปบางครั้งก็เจอความทุกข์บางครั้งก็เจอเหตุร้ายเจอประสบการณ์ที่ไม่ประสงค์ซึ่งทางพระเราก็เรียกว่าอนิจฉารมอนิจฉารมเนี่ยบางทีก็แปลว่าโลกธรรมฝ่ายลบเหตุการณ์ฝ่ายร้ายนะเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่า คำต่อว่าดาทอรวมทั้งความทุกข์ในทั้งโลกลรวมไปถึงลูกรกิิรเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจอันนี้เมื่อเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรทำก็คือว่าอย่าซ้ำเติมตัวเองเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็อย่าซ้ำเติมทุกข์ให้มันเพิ่มพูนขึ้น ถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราก็อย่างน้อยก็ไม่ทำให้ทุกที่มีอยู่หรือทุกที่เจอมันเพิ่มพูนขึ้นอย่างเช่นเวลาเงินหายทรัพย์สมบัติสูญหายก็ให้มันเสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจอย่าเสียเสียทรัพย์เนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องสุดวิสัย ไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะป้องกันอาจจะแค่บันเทาแต่ว่ารักษาใจไม่เสียนี่มันทำได้นะเสียทรัพแต่ใจไม่เสียนะอยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้และควรทำด้วยเพราะถ้าเราปล่อยใจให้เสียมันก็คือการซ้ำเติมตัวเอง แล้วพอเสียทรัพย์แล้วตามมาด้วยใจเสียต่อไปสุขภาพก็พลอยเสียไปด้วยกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียดายเงินนะที่สูญไปเสียดายรถที่ถูกขโมยไปหุ้นที่ราคาตกหรือเงินที่ยืมไปแล้วไม่คืนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายบางทีกินไม่ได้ด้วยสุดท้าย ไม่ใช่แค่ใจเสียสุขภาพก็เสียไปทางานก็ทำไม่ได้ไม่มีสมาธิงานก็เสียแล้วก็จะเสียอะไรอีกหลายอย่างเช่นเสียความสัมพันธ์เพราะว่าทะเลาะบบาะแว้งกับเพื่อนเพื่อนมาเซวมาหยอกในที่ทำงานแต่ก่อนก็เซวกับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์เซวแล้ว ไม่มลมหยอกล้อไปด้วยด่ากลับเลยเลยเกิดการทะเลาะกันเสียเพื่อนอีกจากเสียทรัพย์นี่กลายเป็นเสียใจหรือใจเสียแล้วก็เสียสุขภาพแล้วก็เสียงานเสียการเสียเพื่อนอันนี้เราว่าซ้ําเติมตัวเองคนเราเนี่ยในเมื่อรักตัวเองแล้วนิมนก็ต้องอย่างน้อยน่าจะป้องกันทุก ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ไม่ซ้ำเติมตัวเองในชีวิตประจาวันของเรานี่เรามักจะซ้ำเติมตัวเราอยู่ บ, บ่อยๆนะอย่างเช่นรถติดเนี่ยรถติดก็เสียเวลาอยู่แล้วแต่เราก็กลับปล่อยให้เสียอารมณ์ตามมาด้วยเสียเวลามันก็แย่อยู่แล้วนะแต่เสียอารมณ์นี่มันยิ่งหนักกว่าเดิมเสียเวลานี่เราห้ามไม่ได้ มันไม่อยู่ในอำน้าของเราที่จะบงการให้รถมันหายติดแต่ว่าเราดูแลใจไม่ให้เสียอารมณ์ได้เรียกว่ารถติดแต่จิตไม่ตกเนี่ยมันทำได้ถ้าขืนปล่อยให้จิตตกไปให้ใจเสียเมื่อไหร่หรือเสียอารมณ์เมื่อไหร่นี่เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองเช่นเดนเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยนะก็ให้มันป่วยแต่กายแต่ว่าใจไม่ป่วยหรือป่วยน้อยที่สุด ป่วยกายบางครั้งก็เป็นเรื่องสุดวิสัยโยครคภัยไข้เจ็บบางอย่างมันก็ป้องกันได้ยากแต่ว่าเรารักษาใจไม่ให้ป่วยนี่มันทำได้รักษาใจไม่ให้ทุกข์นี่มันอยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้และสิ่งึ่งที่เราทำได้คือการยอมรับนะ การยอมรับเนี่ยน น, นเป็นวิธีพื้นฐานที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์เหตุร้ายเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าใจเราไม่ยอมรับบนโวยวายตีโพยตีพายนะมันยิ่งเป็นการเพิ่มทุกข์ให้ใจกลายเป็นว่ากลายทุกข์อย่างเดียวไม่พอใจทุกข์ด้วยเราซ้าเติมตัวเนี่ยเพราะาเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น บวยวายตีโพยตีพายอดครวนบางทีก็ตี อ, อกชกหัวว่าทาไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นแต่ถ้าเรายอมรับได้ในความทุกข์ใจมันจะลดไปเยอะนะมีพี่อยู่คนหนึ่งเธอเป็นมะเร็งตอนอายุสามสชีวิตกำลังรุ่งแล้วก็มะเร็งที่เธอเป็นนี่ก็เป็นมะเร็งที่มันมักจะเกิดขึ้นกับคนแก่หรือคนที่สูบบุหรี่ เธอไม่เคยแตะบุหรี่แล้วเธอก็อายุแค่สามสิบตอนที่รู้นี่เธอก็เวียนวีนมากเวียนวินใส่หมอเวียนวีนใส่เปียบานแม้กระทั่งพ่อแม่ก็เธอก็มีอารมณ์เสียใส่พ่อแม่ด้วยแต่ตลังเธอก็มาต้องสังเกตใจตัวเองตอนลังก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วเพิ่มว่า จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่มันทำร้ายเธอเนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์กายแต่มันคือความทุกข์ใจเธอเพื่อประโยชน์หนึ่งน่าสนใจเธอบอกว่ามันเร็งมาไม่ได้ทําให้รอยยิ้มคุณหายไปนะไอ้ความทุกข์ใจทางหางที่มันทําและถามว่าทุกข์ใจเพราะอะไรเธอก็าบอกคตอบว่าเป็นเพราะไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ยอมรับโรคที่เกิดกับร่างกาย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 ความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองยอมรับความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นพวกว่ความทุกข์นี่มันก็บันเทาไปเยอะเลยนะแม้ว่าโลกมันจะลามไปมากแต่ว่าเธอไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เบี่ยงเืนเหมือนเมื่อก่อนในการยอมรับนี่มันเป็ น, เ ป, นเป็นพื้นฐานเลยนะในการที่จะช่วยทำให้เราไม่ซ้ำเติมตัวเองหยุดซ้ำเติมตัวเอง อล้วก็ตามที่เกิดขึ้นถ้าเรายอมรับไม่ได้มันทุกข์นะรถติดถ้าเรายอมรับไม่ได้มันทุกข์มากเลยแต่พอเรายอมรับได้มันก็ใจก็สงบทรัพย์สมบัติที่สูญหายไปถ้ายอมรับไม่ได้หมันทรมานมากแต่พอยอมรับได้มันโล่มันเบาอันนี้เราไปถึงความเจ็บความปวดนะทางกายด้วยนะมีโยมคนหนึ่งเนี่ยไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมเจ็ดวัน และต้องนั่งนะสมาธิเนี่ยวันหนึ่งนี่หลายชั่วโมงเลยติดต่อกันไม่มีการออกไปเดินจงกรมนะนั่งอย่างเดียวฉันเธอไม่เคยนั่งยาวยาวแบบนั้นแค่นั่งหลายชั่วโมงติดต่อกันวันแรกก็แย่แล้ววันที่สองก็ยิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่ปวดเมื่อยวันที่สามหนักความรู้สึกมันเหมือนกับว่ากระดูก ขานี่มันจะหลุดออกจากกันเลยมันปวดมันปวดทั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกพยายามที่จะลุ้นให้ตัวเองเนี่ยทนเบรสักชั่วโมงสองชั่วโมงแต่พอถึงครบสองชั่วโมงแล้วมันก็ยังปวดอยู่ไม่ได้ออกไม่ได้ขยับอิรียบถเลยความรู้สึกมันมันว่าจะตายให้ได้จะตายให้ได้จะตายให้ได้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะตายแล้วตายแล้ว มันปวดมากมันรุ่มร้อนหมดเลยแต่อยู่ๆมันมีคําพูดประโยคหนึ่งนะว่าตายก็ตา ย, าตายวะก็บอกว่าเนี่ยพอมันมีคําพูดชนนี้มันออกมาจากใจเนี่ยนะใจมันโล่งเลยนะใจมันโล่งเลยถามว่ากายยังปวดอยู่ไหมกายยังปวดอยู่แต่ใจมันไม่ปวดแล้ว พ่ออะไรพ่อยอมรับได้คำว่าตายก็ตายว่าคือว่าเป็นไงเป็นกันพอยอมรับได้นะใจมันก็โลง่งปวยก็ยังป่วดอยู่แต่ทีนี้มันไหวแล้วการยอมรับได้เป็นสิ่งสําคัญนะ แ, ลแล้วเราก็มีเหตุผลหลายอย่างนะที่ทําให้เราควรจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งมันคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วปฏิเสธมันก็ป่วยกัน สองถ้าเราไม่ยอมรับเราก็จะทุกข์มากนะเพราะว่าเป็นการซ้ำเติมตัวเองทําให้เราไปต่อไม่ได้นะมันเหมือนกับคุกที่เหมือนกับโซ่ที่ล่ามพันธนาการ จ, จิตใจเลยเหมือนกับคุกที่ขังเร า, เาไวนะ้อย่างผู้หญิงคนนั้นที่เขาว่าอันนี้มันมีอุบายที่ทําให้คนเรายอมรับได้นะ เช่นการมองบวกนะการมองบวกนี่ก็เป็นอุบายนะที่ช่วยทำให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างจิตอาสาวคนณนึงเล่าว่านี่เคยไปเยี่ยมผู้หญิงที่จริงเป็นเด็กมากกว่าอานนะยุสิบสี่เธอเป็นมะเร็งสมองแต่ว่า ตอนที่ไปเยี่ยมเธอก็อดทึ่งเด็กคนนี้ไม่ได้นะแกก็โอภาปาศาดีชวนจิตอาสาวาดรูปชวนสนทนากันเธอไม่ได้มีที่ท่าหม่นมองหรือซึมเศร้าเลยคุยกันคุยมาเด็กคนนั้นก็บอกจิตอาสานะว่าเนี่ยหนูอะโชคดีนะ่นที่เป็นแค่มะเร็งสมองมีญาติคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกเธอปวดมากเลย หนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองว่าจิตอาสานี่อึ้งเลยนะมะเร็งสมองนี่มันไม่ใช่เบานะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เด็กคนนี้เป็นทุกข์เลยเพราะเธอมองว่ายังไงมันก็ดีกว่านะเป็นมะเร็งมรรลุแล้วมาชื่อว่าคนที่เป็นมะเร็งมรลูกนี่ถ้าเขามองอย่างเด็กคนนี้นะเาก็จะมองว่าเออก็โชคดีนะทีนะ่ไม่เป็นโรคอื่นที่รุนแรงกว่าเช่นโรคกลามเนื้ออ่อนแรง ที่ปลายประสาทซึ่งมันทรมานมากเพราะต้องนอนติดเตียงอย่างเดียวเลยไปไหนมาไหนไม่ได้ในการมองบวกแบบนี้ก็ทําให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์การมองบวกคือการมองว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างหรือองน้อยก็ไม่ดีที่มันไม่แยากไปก่อนนี้อย่างชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยอายุยี่สิบกว่าเนี่ยเป็นริวคิเมียนะเป็นมะเร็ง ที่ไม่เลือดขาวทีแรกก็ถูกนะแต่ต่หลังแกก็บอกว่าเนี่ยม่ไม่เลี้ยงนี่มันก็นำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของแกนะหลายอย่างทีเดียวคือหนึ่งทำให้มารู้จักพุทธศาสนาแต่ก่อนไม่สนใจภาษาวัยรุ่นก็อาจจะเที่ยวดูหนังฟังเพลงกินเหล้าพอป่วยแลนอนอยู่โรงพยาบาล ไม่มีอะไรทำเพื่อนเอาหนังสือมาให้ผู้ใหญ่เอาหนังสือมาให้หนังสือเกี่ยวกับธรรมะได้อ่านก็ได้เข้าใจพุทธศาสนาว่ามันะมีประกอบไปด้วยธรรมะที่ลึกซึ้งแล้วก็มีประโยชน์มากถ้าไม่ป่วยก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของธรรม ข้อที่สองเนี่ยบอกว่าทําให้ได้มองเห็นความรักที่บริกบุดของพ่อแม่พ่อพ่อแม่นี่มาเยี่ยมมาดูแลลูกนะเรีกว่าจะถ้าจะไม่สนใจงานการเลยมาดูแลลูกด้วยความอาใจใส่จึงเพิ่งเห็นนะว่าพ่อแม่นี่รักเรามาแต่ก่อนไม่เห็นนะเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่พ่อแม่ไปทํางานลูกก็ไปเรียน กินข้าวพร้อมหน้ากันยังไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเลยแต่พอป่วยนีย่โอ๊พ่อแม่มาดูแลลูกมาเอาใจใส่ได้เห็นความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่มันก็ซาบซึ้งใจแล้วข้อสามก็บอกว่าเนี่ยมะเร็งทำให้มีเวลานะอ่านหนังสือนะมีเวลาหยุดคิดเนะพราะก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาเลยไม่ใช่ว่างานเยอะเรียนหนักแต่เที่ยวมากกว่า แกบอกถ้าแกไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คงเหมือนกับเด็กวัยรุ่นอายุ21ปีทั่วไปนอนหอพักกว่าจะเข้านอนก็นตีสามตื่นขึ้นมาบ่ายก็รอเพื่อเลี้ยไปเที่ยวไปกินนะก็คงจะใช้ชีวิตยอย่างไม่นึกถึงคนอื่นไม่มองคนรอบข้างใช้ชีวิตยอย่างประมาทนะไม่รู้จักประมัดระวังแต่ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปเลยนะพอได้ เป็นมะเร็งช่วมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นได้เจอสิ่งดีๆอันนี้ก็เรยว่ารู้จักมองบวกนะพอมองบวกบันบนี้ก็ทำให้ยอมรับมะเร็งได้ไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายหรืออย่างผู้หญิงคนนึ่งเขาบอกเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยก็ดีนะทำให้ได้เข้าใจตัวเองแล้วก็รับมือกับโรคได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นบอกเลยบอกว่า เธอบอกว่าเนี่ยไม่กลัวมะเร็งเลยเดี๋ยวนี้เพราะถ้าว่าไม่เป็นมะเร็งก็คงจะตายไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้าที่เป็นมะเร็งเป็นโรคซึมเศร้าพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วสามครั้งแต่พอเป็นมะเร็งนี่ความคิดจิตใจเปลี่ยนไปเลยนะอย่างที่เธอบอกเนี่ยเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นรับมือกับโรคได้ดีขึ้นไปหาหมอ ไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์ยังทักเลยเนะว่าเธอเปลี่ยนไปนะหลังจากที่เป็นมะเร็งจัตสนาการมองโลกของเธอเปลี่ยนไปแล้วแต่เป็นมะเร็งอันนี้ก็เรียกว่าเห็นข้อดีเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความทุกข์จากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็เลยทำให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายนะอันนี้ก็เรียกว่า เป็นเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองนะต่อโรคซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตมันมีธรรมะหลายอย่างนะที่ช่วยทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้แม้ว่ากายนี่มันจะป่วยอย่างเช่นการที่คนเราเนี่ยมีศรัทธา มีศรัทธาในในศาสนามีศรัทธาในพระรัตนตรยัยมีศรัทธาในบุญกุศล น, นี่มันก็ช่วยได้นะยังมีคุณยาคนหนึ่งเนี่ยปวดท้องมากปวดท้องมากอยู่โรงพยาบาลหมอให้ยาระงับปวดแต่ว่าพอฤทธิ์ยาเนี่ยหมดเนี่ยเขาก็ปวดมากร้อง มีพิบาณคนหนึ่งเดินผ่านมาพิบาลคนนี้นะแกะถามคนไข้เนี่ยไม่เหมือนใครนะแทนที่จะถามว่าเนี่ยยายปวดกี่คะแนนมันมีเพนสกอร์หรือคะแนนความปวดถ้ารู้คะแนนความปวดก็จะให้ยาได้ถูก แต่พยาบาลถามว่ายายช่วงนี้ยายทําแล้วมีความสุขมากที่สุดยายตอบเลยหล่อพระนะหล่อพระยายเคยไปหล่อพระเมื่อสิบปีก่อนสิปีก่อนคนอิสานเนี่ยการหล่อพระนี่ถือวเป็นมหากุศล น, นะเป็นบุญนันยิ่งใหญ่เลยโราบาลก็เลยทวอการถามยายเลยยายจําได้ไหมตอนนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ย ยายใส่เสื้อเสียอะไรนุ่งผ้าเสียอะไรยายจำได้หมดเลยพยาบาลเลยชวนคุยนะเรื่องหล่อพระยายก็เลยคุยเรื่องหล่อพระเนี่ยคุยไปสิบยี่สิบนาทีได้พอคุยจบแกก็เรียกพ ย, บ ย, บยาบาลหมอหมอแปลกนะมันหายปวดไปเยอะเลยนีไอ้ที่หายปวดที่ไม่ใช่เพราะได้ยานะแต่เพราะว่า อาการแรกเนี่ยคือลืมปวดนะเพราะว่าพอคุยกับพยาบาลเรื่องหลอพลาซึ่งเป็นเรื่องที่ยายศรัทธาใจมันก็ไม่ได้จดจ่อที่ความปวดใจมันก็ไม่ไปรับรู้ที่ความปวดมันก็เหมือนกับเวลาเราถูกยุงกัดถูกมดกัดแต่เราไม่รู้สึกเจ็บเลยนะเพราะว่าเรากําลังจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือกําลังเล่น เฟซบุ๊กกลังดูหนังหรือบางคนนั่งหลังขนหลังแ็งทั้งคืนจนรุ่งเช้าแต่ไม่รู้สึกปวดเลยเพราะอะไรเพราะว่าใจไปจดจ่ออยู่กับไพ่นะในมือนะตีดัมมี่ทั้งคืนเพลนหรือว่ามีสมาธิกับกับดัมมีนะ่เนี่ยก็เลยไม่ไปรับรู้ความปวดที่หลังที่ขานะ ในแง่หนึ่งยายก็ไม่ปวดเพราะตรงนี้แหละเพราะว่าเพลินหรือมีสมาธิเกี่ยวกับการคุยเรื่องหล่อพระหรือเรื่องการระลึกนึกถึงแต่จริงมันมากกว่านั้นนะหล่อพระเป็นเรื่องที่ทําให้ยายนึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงเพระพุทธเจ้านึกถึงบุญกุศลซึ่งเป็นเรื่องที่ยายมีความศรัทธา ในทางพุศาสนาเนี่ยผู้เจ้าญตัดว่าเนี่ยศรัทธาทำให้เกิดปราโมทปราโมทคือความเบิกบานใจปราโมททำให้เกิดความปิติปิติคืออิ่มเอิบใจปิติทำให้เกิดปัสสัต t h คือความผ่อนคลายกายและใจและปัสสัท thi ทำให้เกิดสุขนะพูดง่ายคือศรัทธาทำให้เกิดสุขนะเราศรัทธาเรื่องอะไรนึกถึงสิ่งที่เราศรัทธาก็เกิดความสุขขึ้นมา หลังจากเกิดปราโมทย์เกิดปิติเกิดปสัสสธิแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่ความสุขทางใจนะมันเป็นความสุขกายด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้วิยาศาสตร์ก็พบว่าเนี่ยเวลาเรามีสมาธิหรือเรามีศรัทธาในสิ่งใดนถ้าใจดิ่งไปในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีสารสื่อประสาทหลั่งออกมาจากสมองเช่น โดพามีเซโรโทนินเอนโดฟิลสารสื่อประสาทพวกนี้เนี่ยมันไปช่วยสกัดสัญญาณความปวดนะสัญญาณความปวดมาจากไหนมาจากท้องมาจากปอดมาจากตับเนี่ยมันต้องไปถึงสมองก่อนนะเราถึงจะรับรู้ความปวดได้ถ้ามันไปไม่ถึงเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกปวดนะครานี้สารสื่อประสาทนี่มันเป็นดักไว้กลางทาง ไม่ไปถึงสมองเราก็เลยไม่รู้สึกปวดมันไม่ใช่อุปทานนะมันไม่รู้สึกปวดจริงๆอันนี้คืออาการทางกายซึ่งเกิดขึ้นจากศรัทธาปราโมทย์ปิติปสัสสธินะแล้วก็ทำให้เกิดสุขงั้นแต่เกิว่าคนเราเนี่ยมีมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามสูงส่งเนี่ย ถ้าใจเราน้อมไปทางสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์กายเนี่ยมันบรรเทาได้และศรัทธาเป็นสิ่งที่เราสร้างได้เป็นศรัทธาเป็นสิ่งที่เราสามารถจะน้อมใจไปถึงสิ่งนั้นได้จริงๆูุเจ้าเนี่ยยังงแนะนำเลยนะแนะนำคนใกล้ตายหรือแนะนำคนที่จะไปพูดนําทางคนใกล้ตายาเนี่ยให้น้อมใจคอยระลึก ถ, ถึงศรัทธานะ เช่นถ้าเป็นชาวพุทธมีศรัทธาในพระรัตนตรัยก็น้อมใจผู้ป่วยให้เกิดศรัทธาในพระพุปธธรรมประสงค์หรือศรัทธาอยู่แล้วก็น้อมจะให้ระลึกถึงสิ่งนั้นที่ถองศรัทธารวมถ้าระลึกถึงความดีด้วยที่ได้ทำเพราะว่ามันจะช่วยบรรเทาความปวดความทุกข์ใจได้ เริมก็จะส่งผลทาให้ความปวดหรือความทุกข์กายบรรเทาเบาบางอย่างที่เกิดกับคุณยายคนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้สตินี่ก็ช่วยได้เยอะนะสตินี่สามารถจะช่วยจิตใจในการรับมือกับความทุกข์ความทุกข์กายได้อย่างที่เราเมื่อวานเนี่ยคุณยายที่ แขนหักกระดูกหักเนี่ยและพอไปโรงพยาบาลหมอจะทำการจัดกระดูกเข้าใหม่ก่อนที่จะใส่เฝือกคุณยายก็บอกหมอไม่ต้องฉีดยานั่องฉีดยาระ ง, งับปวดหมอก็แปกใจนะแต่หมอก็ทำให้แล้วคุณยายแกก็แสอาการที่สงบนิ่งนะ ตอนที่หมอเนี่ยจัดกระดูกให้เข้าที่กลับมาถึงบ้านหลังจากใส่เฝือกเสร็จลูกสะพายก็ถามว่ายายไม่ปวดเหรอยายบอกปวดนะแต่ว่ามันก็สักแต่ว่าเวทนาเราก็อย่าไปยุ่งกับมันนี่ยายพูดแบบชาวบ้านชาบ้านนะแต่การที่ใจจะไม่ไปยุ่งกับความเจ็บปวดได้เนี่ยมันต้องใส่สตินะ พอธรรมดาของใจเนี่ยพอปวดตรงไหนใจมันก็จะไปจดจ่อตรงนั้นแหละเรียกว่าเกิดการไปยึดติดถือมั่นอันนี้เราเข้าไปเป็นแล้วมันไม่ได้มีแค่ความปวดแต่มันมีผู้ปวดเกิดขึ้นไปยึดว่าความปวดเป็นกูเป็นของกูเนี่ยนี่เป็นธรรมชาติของจิตนี่ถ้าไม่มีสตินะ มันจะเข้าไปยึดเลยจิตเข้าไปยึดความปวดว่าเป็นกูเป็นของกูมีกูผู้ปวดขึ้นจะที่มีสตินเนี่ยนะน้อก็ทําให้จิตเนี่ยไม่เข้าไปยึดความปวดนะอย่างที่เราสอนเมื่อสักครู่เนี่ยสติปัฏฐานสูตรเนี่ย mm. เห็นเวทนาในเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เรา เวชนาไม่ใช่เราความปวดไม่ใช่เราความปวดไม่ใช่ของเราสติมันทำหน้าที่นี่แหละคือทำให้เห็นความปวดแต่ไม่เข้าไปยึดความปวดว่าเป็นเราเป็นของเราผู้่านคือว่ามีความปวดแต่ไม่มีผู้ปวดซึ่งตรงนี้อมันทำให้กายปวดก็จริงนะแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่า เราแต่ละคนแต่ละคนก็ทําได้นะแต่ว่ามันต้องอาศัยการฝึกไม่มาอาจจะฝึกอาจจะสติอย จ, จะไม่ทันถึงขั้นเห็นเวทนาหรือว่ารู้ทันเวทนาแต่ว่าเพียงแค่มารู้ทันเจรู้ทันจิตเห็นจิตที่มันบน่นวายตีโพยตีพายเห็นจิตที่มันหงุดหงิดเกิดโทสะเมื่อเกิดความเจ็บความปวด ตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วเพราะว่าพอเกิดความปวดทางกายแล้วจิตเนี่ยมันมันบวยวายมันตีโพยตีพายมันมันเกิดาการต่อสู้ผักใสไม่ยอมรับเนี่ยตรงเนี้ยคือตัวเพิ่มทุกเนะเป็นตัวเพิ่มทุกเป็นตัวซ้ำเติมความทุกขนะ์ให้กับจิตแต่ถ้าเกิดว่าแม้เราจะไม่มีสติไวพอที่จะเห็นเวทนา ไปดูเวทนาทีไล่มันเข้าไปเป็นผู้ปวดทุกทีแต่ว่าสามารถที่จะเอาสติมาดูจิตได้ดูจิตมาเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเห็นอาการที่ไม่ปกติของจิตที่มันวุวายตีโพยตีพายเห็นอาการของจิตที่มันเกิดความหงุดหงิดนะอาการพวกนี้พอมันถูกเห็นด้วยสติมันก็จะสงบนะมันจะกลับมาเป็นปกติขึ้นมาไอที่เคยปฏิเสธไม่ยอมรับไอที่เคยผักสายมันก็จะสงบ มันก็จะนิ่งมันก็จะเป็นการทำให้ความทุกข์ของใจมันลดลงอันนี้เรียกว่ามีสติมาเห็นจิตนะมีสติมาดูจิตแม้ว่าสติยังไม่ไวพอแข็งแรงพอที่จะมาดูเวทนาในพูดนี้เนี่ยมันพูดไปก็อาจจะเข้าใจยากนะแต่ถ้าเราได้ลองทำดูลองฝึกดูนะเวลามดกัดยุงกัดนะเวลาแดดเผานะ เราก็มาฝึกดูเวทนาหรือแม่ก็ฝึกดูจิตนะดูอาการของจิตที่มันวยไวตีโพตีภายผักใสไม่ยอมละไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูมีสติเห็นจิตก่อนพอมีสติเห็นจิตได้ไหวต่อไปมันก็จะมีสติดูเวทนาแต่ก่อนก็เห็นไม่ค่อยไปเป็นผู้ผู้โกรธผู้หงุดหงิด ต, ต่อไปมันก็จะเห็นความปวดแต่ไม่มีผู้ปวด อันนี้ก็ช่วยทำให้สามารถที่จะอยู่กับความปวดได้ด้วยใจที่ไม่ทุกขนะ์ซึ่งที่จริงแล้วนอกจากสติแล้วก็ยังมีสมาธิอีกนะสมาธิสมาธิก็คือการที่เรามาจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นแทนที่จะเป็นความปวดจิตมันจิตถ้ามันไปสนใจไปรับรู้ความปวดมันก็ยิ่งทุกข์นะ แต่ถ้าว่าปวดขาปวดแข้งแต่ว่าจิตมาอยู่กับลมหายใจมันก็ลืมปวดได้นะเ <f les> พราะจิตนเนี่ยเหมือนคนมือเดียวนะถ้าว่าไปรับรู้ความปวดถาว้าไปรับรู้ลมหายใจมันก็ต้องลืมความปวดต้องวางความปวดก่อนถ้าไม่อยากให้จิตไปรับรู้ความปวดก็หันมาสนใจสิ่งอื่นแทนสนใจลมหายใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ศรัทธา เช่นพระรัตนตัยมันก็ทำให้วางความปวดได้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำให้ใจเนี่ยไม่ทุกข์นะเรียกว่าเป็นการรักษาใจนะไม่ให้ปวดไม่ให้ทุกข์แม้ว่ากายจะปวดแม้่กายจะทุกข์ก็ตามนะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ไม่ซ้ำเติมตัวเองให้มันทุกข์แค่อย่างเดียวคือทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์